อรหันตุสมมาสัมพุมตสพิตตสัจนะโมทัสสะภะวุโตอรหโตุสมมาสัมพุติสัจขอนอหน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์แตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนามสกันรพระโลกุตรธรรมขอนอหน้อมแด่พระอริยสงฆ์และสมุติสงฆ์ ปอะกาบทาติมรสการพระเดชพระคุณผู้เป็นพระอาจารย์สติปสัสสาทวิชาความรู้ในมหาสติปัฐานสูตรในทางภาคปฏิบัตินมรสการท่านพระเทรานุเทระเพื่อนสมหธรรมิกทุกรูปเจริญ <c oughs> พรพสำเนินและอุบาสกอุบาสิกาทุกท่าน วันนี้ก็เป็นวันมงคลพระเจ้าก็ถือว่ามีรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาแสดงข้อคิดเห็นต่อหน้ามูนักประพฤตปฏิบัติในสายสติปัฏฐานทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่คล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณผู้มีเมตตาต่อสานสิทธิ์เป็นที่ยิ่ง <c oughs> ท่านเป็นผู้มีความภาคเพียรเจริญ เดินตามรอยยุคคนบาดของพระบรมศาสดา <c oughs> ไฝ่ใจศึกษาฝึกฝนเป็นธรรมโดยแยกคายจนรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตัวของท่านเอง <c oughs> และเมื่อท่านได้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตัวของท่านเองแล้วด้วยความเมตตากรุณาที่แพร่ซ่านอยู่ในจิตใจของท่านท่านจึงเริ่มออกเผยแท่สั่งสอนสิญญานุสิทธิ์ ตั้งแต่ปี2505ที่เกิดวาตาภัยแหลมตะลุมพุกอุกาฟ้าเหลืองปีนั้นนครศรีธรรมราชเนี่ยประสบวิตรปโยกเจอภัยธรรมชาติ แยียหายยับเยินแต่ก็มีผู้มีบารมีท่านหนึ่งได้เดินทางไปสู่นครศรีธรรมราชในช่วงนั้นถือว่าปีนั้นเนี่ยนครศรีธรรมราชมีทั้งโชคล้ายอย่างใหญ่หลวงและโชคดีอย่างใหญ่หลวง เช่นเดียวกันพ <c oughs> ระเดชพระคุณท่านเป็นผู้ที่ลึกซึ้งในแก่นแท้ของสัจธรรมภาคปฏิบัติท่านเน้นอยู่เสมอภิกษุทั้งหลายลูกลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลาย พึงสอนตัวเองให้ดีก่อนค่อยย้อนไปสอนผู้อื่นในภายหลังจึงไม่มัวหมองพระเดชพระคุณท่านได้เฟ้นทมอยู่ที่อำเภออู่ทองเป็นเวลาประมาณสามปีกว่า ท่านได้รู้แจ้งเห็นจริงได้ฝึกฝนอบรมจนท่านรู้แจ้งด้วยขันธสันดานของท่าน <c oughs> ด้วยคงจะเป็นบุญวาสนาเก่าแก่เมืองนครศรีธรรมราชนี่ก่อนนั้นก็เป็นเมืองเก่า เป็นแหล่งอารยธรรมทางพระพุทธศาสนาคระเดชพระคุณท่านก็คงจะเคยสร้างบุญบา ร, รมีเนื่องเนื่องมากกับจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านได้ลงไปเผยแพ่สัจธรรมยู่ดันค้นพบ ที่ท่านได้เฟ้นโดยเอาชีวิตของท่านเข้าแลกปี2505หลังจากนั้นท่านก็ได้สั่งสอนสิทย์ญาณสิทธิ์มาเรื่อยๆซึ่งเป็นงานลำบากมาก เ, าเรามาเป็นครูบาอาจารย์ที่ต้องรับผิดชอบภิกษุ และอุบาสกอุบาสิกานับร้อยขึ้นไปด้วยความที่ท่านเป็นผู้มีบริวารสมบัติมากลูกศิษย์รุ่นพี่ๆรุ่นใหญ่ๆจะกล่าวถึงพระเดชพระคุณเนี่ยให้ฟังเสมอ <c oughs> ว่าพระเดชพระคุณเนี่ย ท่านเป็นผู้มีบริวารมากไม่ว่าท่านไปอยู่ที่ไหนเนี่ยพระและแม่ชีเนี่ยจะไปอยู่ศึกษาปฏิบัติกับท่านมากท่านเป็นผู้มีบุญวาสนาทางนี้คือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยตนเอง และยังมีความสามารถที่แก่กล้ายิ่งใหญ่ที่จะสามารถบริหารงานหมู่คณะและชักจูงชักพาหมู่คณะให้ใฝ่ธรรมเรียนรู้ธรรมฝึกฝนธรรมตามท่านได้ซึ่งไม่ใช่เป็นการง่าย บุคคลเช่นนี้เนี่ยจะต้องมีความหนักแน่นสูงมีความอดทนสูงต้องผ่านมารทุกรูปแบบเมื่อท่านเผยแผ่ธรรมะอยู่ที่วัดเท้าโคตรเดี๋ยวนี้แยกเป็นวัดชายานา <c oughs> ท่านโดนมารการไม่ยอมรับ ของคนทั้งหลายเนี่ยขัดขวางทุกวิถีทางโดยความเป็นคนจริงของพระเดชพระคุณน่ท่านสามารถผ่านโอปรรัสรักมาได้เขาเอาเหินเครื่องจนสามารถเอามาสร้างพระได้องที่หน้าวัดชายนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกว่าภาคีลาลอยตั้งชื่อให้เก๋ตามที่มาของก้อนหิ น, นก้อนหินที่มาสร้างพระองค์เนี่ยลอยมาได้ลอยมาแต่พระเดชทะคุณเนี่ยท่านชนะอุปสรรคชนะมาร ชนะสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยด้วยความดีมาตลอดท่านสามารถนำพาหมู่คณะเนี่ยให้ฝ่าอุปสรรคจนพินที่ยอมรับของชาวนครศรีธรรมราชเมื่อเป็นที่ยอมรับอย่างเต็มที่ คนเคารพมากขึ้นลูกศิษย์ลูกหาเริ่มเป็นท่าผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยความเป็นชาตินักสู้ของพระเดชพระคุณเนี่ท่านก็ไม่ได้ติดในลาบส ก, การะในการส่งเสริญเย็นยอ ท่านทิ้งลาบสักกาละความเคารพบูชาของชาวแนละคองศรีธรรมราชเนะี่ยเหมือนกับ้วนก้อนเขะละไงโดยความเป็นผู้มีใจสูงไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำขณะที่ประเชิญอุปสรรคเนะี่ย ท่านก็ต่อสู้อย่างแข็งแกร่งด้วยจิตใจหนักแน่นอดทนต่อสู้ในความดีเมื่อมีคนเคารพมากขึ้นเนี่ยท่านก็ไม่ได้ติดไม่ได้ติดในลาบในยศในสุขในสรรเสริญ <c oughs> ท่านทิ้งมาอย่างไม่ใหญ่ดี จนท่านได้มาท่านสร้างวัดหลายวัด <c oughs> ยกตัวอย่างก็ <c oughs> วัดเขาเกิว <c oughs> จังหวัดเพชรบุรี <c oughs> วัดกระโจมทองจังหวัดนนทบุรีจนมาที่วัดไสรงามเนี่ย <c oughs> เป็นปึกแผ่น เข้มแข็งแข็งแรงมากก็ที่สุพรรณบุรีเนี่ยหรือบุญบารมีของท่านจากเดิมที่เป็นทุ่งนาได้ข้าวไม่กี่เกวียนต่อปีพระเดชพระคุณท่านได้มาเปลี่ยนทุ่งนาเนี่ย ให้กลายเป็นเนื้อนาบุญให้กลายเป็นเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญของเทวดาและมนุษย์ท่านได้บัชัจูงชักจูง ช, ชักชวนชาวสุพรรณบุรีและคนใกล้เคียงออกมาฝุดฝน ในสติปัฏฐานที่ท่านรู้แจ้งเห็นจริงจิต ย, ยานของท่านไม่ได้จำมาพูดไม่ได้จำเข้ามาเล่าท่านสามารถดับทุกข์ได้ด้วยตัวท่านเองความศักดิ์สิทธิ์ของท่านอยู่ตรงนี้คือท่านสามารถ ปฏิบัติจนท่านดับทุกข์ได้ด้วยตัวท่านเองจะสามารถชักจูงให้ลูกศิษย์ลูกหาผู้ไม่ประมาทผู้เชื่อฟังผู้ไม่ดื้อรั้นประพฤติตามท่านแล้วดับทุกข์ตามท่านได้เป็นอัศจรรย์ ผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นย่อมเห็นเองธรรมะที่ท่านสอนเนี่ยประบุประดุดน้ำที่ดับไฟในดวงใจของมนุษย์ทุกท่านผู้ใดมีศรัทธายินดีให้ท่านสั่งสอน นำเอาคําสั่งสอนของท่านไปประพฤติไปปฏิบัติย่อมดับทุกข์ได้เป็นอัศจรรย์พระเดชพระคุณท่านเน้นตลอดทางนี้เป็นทางสายเอกเป็นทางที่ยะ น, นํำให้สัต คนจากทุกข์ทั้งปวงทางนี้คือสติปัฏฐานสี่หมันหอนคือพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมพึงมีความเพียรมีสัมพัญ ญ, ญะ มีสติมีความเพียรความเพียรเป็นสิ่งจำเป็นมากที่จะดับไฟกิเลสอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ในใจของทุกคน <c oughs> กิเลสความไม่พอความทะยานอยากความไม่รู้จักอิ่ม เกิดเพราะเราเอาจิตส่งไปที่ข้างนอก <c oughs> นาถิตัณหาสมานัทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาย่อมไม่มีไม่มีสิ่งใดที่จะมาเติมใจของบุคคลที่เต็มไปด้วยตัณหาเนี่ยให้เต็มอิ่มได้ นอกที่จากเขาพู้นั้นยินดีมาประพฤติปฏิบัติเพื่อดับตันหา <c oughs> การดับตันหาเนี่ยต้องมาดับที่ใจตัวเองต้องมาเจริญสติมีความเพียร <c oughs> <c oughs> บุคคลนั้นเนี่ยต้องมีศรัทธา ไฟดีคิดจะแก้ไขตัวเองคนเราเนี่ยเกิดมาไม่ใช่บริสุทธิ์มาจังแต่ท้องพ่อท้องแม่คนเรามีกิเลสมาทางนั้นอันนี้ถ้าเรามีศรัทธาจะแก้ไข มันก็เกิดความเพียรขึ้นได้ศรัทธาเนี่ยความเชื่อเชื่อด้วยความเคารพในพระเดชพระคุณเนี่ยซึ่งท่านถ้าจะนับจะจะนับท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในประมาณในปรมาจารย์ผู้รู้แจ้งเห็นจริง ก็คงได้เนี่ยเมื่อเรามีศรัทธาเชื่อฟังท่านเนี่ยก็เกิดความเพียรขึ้นได้ <c oughs> ท่านเน้นเสมอเนี่ยสอนลูกศิษย์ว่าอย่าทิ้งฐาน <c oughs> ฐานที่สำคัญนียฐานแรกของทุกคนเลย ฐานใจในกาย <c oughs> พระเดจประคุณท่านพยายามสอนให้มีความเพียรในการเจริญสัมปชัญญบับ <c oughs> มีการคู่แข่งเข้า เหยียดแขนออกเป็นอาชีอห <c oughs> นะ่ะที่คู่แขนเข้าและเหยียดแขนออกเนี่ยท่า <c oughs> นก็ให้กำหนดขยับนิ้วมือไปเลย <c oughs> เมื่อเอาเมื่อเราเอาสติ <c oughs> มาตั้งที่กายเนี่ย มันจะเป็นขั้นแรกที่เราจะเริ่มสร้างสติของเราขึ้นมาโดยเอาจิตของเราเนี่ยมาปูกกับสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขณะที่เราคูแขนเข้าเหยียดแขนออก พร้อมทางกับเด็กนิ้วมือไปด้วยขนาดเด็กนิ้วมือเนี่ยจิตจะมาอยู่ตรงระหว่างนิ้วกระทบกันให้เอาสติตั้งไว้ตรงนั้นเนี่ย <c oughs> จะเป็นที่พึ่งขั้นแรกของผู้ปฏิบัติธรรมอันเนี้ย ให้เราอย่าทิ้งฐานกำหนดไว้เสมอตั้งจิตเอาไว้ที่กายเนี่ยท่านเน้นอยู่เสมอถ้าจิตตกฐานเนี่ยญาณจะตกกิเลส ก, ก็เกิด <c oughs> กิเลสคืออะไระกิเลส ก, ก็คือความยินดี ความยินลาย <C oughs> ขณะตากระทบลูกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องโทสะพะก <C oughs> ใจรับรู้ธรรมลมเมื่อจิตเราไม่มีปัจจุบันขณะตั้งสติอยู่ในฐานเนี่ย <C oughs> จิตเราจะจะออกไปเสวยอารมณ์ก <c oughs> ็ต้องต้องขอโทษเลยที่ต้องพูดเว้นวักนะเพราะว่าเสียงมันซ้องถ้าพูดติดติดกันแล้วมันจะฟังไม่รู้เรื่องต้องคอยพูดเว้นวักอยู่ตลอด <c oughs> มันขาดช่วงบ้าง เมื่อสติเราตั้งอยู่ที่ฐานเนี่ยมันจะเป็นปัจจุบันอารมณ์ <c oughs> ตั้งอยู่ในฐานเราจะวางอุเบกขาต่ออารมณ์ไม่ยินดีไม่ยินลาย <c oughs> ต่ออารมณ์ที่มากระทบ อารมณ์ที่ร้ายกาจเนี่ยก็คืออารมณ์ทางใจเนี่ยร้ายกาจมากเพราะอารมณ์ที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นและกายเนี่ยมันเป็นปัจจุบันอารมณ์เท่านั้น มันกระทบแล้วก็กดับไปแต่ความปุงแต่งความรับรู้ธรรมารมของใจเนี่ย <c oughs> สามารถที่จะเอาอดีต ท, ที่ผ่านไปแล้วตั้งนานดับไปแล้วบางทีคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งทั้งหมดเนี่ยเขาลืมไปหมดแลวแต่ตัวเราเองเนี่ย ยังจำมาไว้เพราะความไม่มีสติสติตกฐานปัจจุบันอารมณ์ก็ดับจ <c oughs> ิตก็ไปเอาอาดีตบ้างอนาคตบ้างมาปรุงแต่ง <c oughs> แค่ปรุงแต่งในปัจจุบันเนี่ย มายินดียินร้ายกับอารมณ์ที่กระทบในปัจจุบันเนี่ยก็จะปวดหัวตายแล้วแล้วยังไปขุดคุยอารมณ์อดีตเนี่ยจะไปปรุงแต่งอนาคตเนี่ยเข้ามายินดียินร้ายอีกอะอย่างนี้ไม่บ้าจะทนไหวเด้อ <c oughs> คนที่บ้าทุกคนนี่นะไม่มีใครเลยที่จะเป็นบ้าเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตเครียดเพราะอารมณ์ปัจจุบันไม่มีค่าได้เพราะอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเกิดดับขนาดหนึ่งรับรู้ขนาดหนึ่งแล้วก็ผ่านไป <c oughs> แต่ด้วยความที่ว่าจิตของบุคคลผู้นั้น เป็นจิตหลงไม่ได้ฝึกสติจึงเห็นว่าอาดีตที่ดับไปแล้วเนี่ยยังมีอยู่เพราะถูกความหลงโมหะอวิชชาหลอกก็เลยต้องทุกข์เดือดร้อนเจ็บปวด กับเรื่องที่ผ่านไปแล้ว <c oughs> <c oughs> การที่เราเนี่ยต้องทุกข์เดือดร้อนเจ็บปวดกับอารมณ์อดีตเนี่ยถ <c oughs> ้าเราจะมองให้เห็นง่ายๆอุปมาเนี่ยเ <c> ห <oughs> มือนกับ่าไฟฟ้าเนี่ยยกตัวอย่างค่าไฟฟ้า เมื่อสองเดือนก่อนเนี่ยเขามาเก็บค่าไฟฟ้าเมื่อเดือนนั้นเนี่ยเราก็จ่ายไปแล้วจ่ายเสร็จไปแล้วขณะเมื่อสองเดือนก่อนนั้นนี่ขณะนี้เขาบินเดิมมาเก็บเรียกเก็บกับเราอีกเราก็โง่โง่ถึงขนาดยอมจ่ายอีก อย่างเงี้ยเรียกว่าเราฉลาดงโง่ทุกคนอน่ะคนทุกคนมันค <c oughs> ่าไฟฟ้าที่เเก็บมาสองปีก่อนสิบปีก่อนเขาเอาบินที่เราจ่ายแล้วอะเอามาเก็บเราอีกแล้วก็ยั ง, งโง่โง่พอที่จะจ่ายเงินมันดี ถ้าเราฉลาดพอยนะ <c oughs> เราต้องบอกมันว่าไอ้นี่จ่ายไปแล้วอารมณ์อดีตเนี่ยจิตจิตขุดคุ้ยขึ้นมาเนี่ยเราสุขเราทุกข์ชดใช้มันไปแล้วอย่าเอามาเก็บอีกเราต้องบอกมันงี้ <c oughs> เราต้องใช้แทะฟาดมันจิตเนี่ยมันจะมาหลอกจิตเองโดยการเอาอารมณ์อดีตเนี่ยซึ่งผ่านไปแล้วเราใช้นี่นไปแล้วเราทุกหรือเราสุขผ่านไปแล้วมันยังเอามาหลอกเราให้เราทุกซ้ำวันนี้ทุกพรุ่งนี้ทุกอีกอ้าวยังไม่เลิกยังไม่วาง เหมือนค่าไฟอ่ะสองปีก่อนเนี่ยเราจ่ายไปแล้ววันนี้มันมาเก็บอีกล้วก็ยังโง่จ่ายมันบีบโง่จ่ายก็คือเรายังทุกข์ไปกับมันอีกอ่ไปทุกข์กับเรื่องที่ผ่านไปแล้วอ่ะมันดับไปแล้วเออค่าไฟฟ้าที่เราจ่ายไปแล้ว มันมาเก็บเราวันนี้เราก็ยังโง่ถึงขนาดยอมจ่ายเป็นอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็มาเก็บเราอีกเราก็ยังโง่โง่ถึงขนาด จ, จ่ายมันในวันพรุ่งนี้อีกเนี่ยลองถามตัวเองไงว่าเราโง่หรือเราฉลาด นั้นต้องเตือนตนว่าอาดีตที่ผ่านไปแล้วมันดับไปแล้วแต่เตือนตนก็เตือนอย่างหนึ่งแต่จิตที่ตกฐานเนี่ยมันไม่รับฟังคำเตือนในภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยเราไม่ต้องพิจารณาอะไรมากให้มีความเพียรมีสัมชัญญะ มีสติตั้งสติอยู่ในฐานอย่าให้จิตตกฐานคำนี้ของประเด็นพระคุณเนี่ยผมยกไว้ใส่หัวตลอดคอยเตือนตนอยู่ตลอดว่าถ้าจิตตกฐานยานก็ตก กิเลสก็เกิดเมื่อกิเลสเกิดทุกข์ก็เกิด